ความจริงฉันนอนจะหลับอยู่แล้วเคลิม้มเคิมไปเห็นตะแก่หนวดยาวนุ่งขาวห่วมขาวคนหนึ่งมายืนทวงเล่าฉันสะดุง้งลืมตาตื่นขึ้นมาแกก็หายไปเสียแล้วเลยนึกขึ้นมาได้ว่าบนบานเจ้าป่าไว้ก็เลยรีบลุกขึ้นมาแก้บนนี้แหละชวนแงซ า, ายออกมาเป็นเพื่อนกล่าวจบหล่อนก็หันไปทางเบื้องหลังแล้วร้องออกมาเบาๆอา้าวแงทรายหายไปไหนเสียแล้วโน่นนะครับไปโน่นแล้ว หมอไม่ชอบหน้าผมนักหรอกเห็นผมเดินเข้ามาก็เลยหลีกไปโน่นไม่ใช่เขาไม่ชอบหน้าคุณหรอกคุณตะหากไม่ชอบหน้าเขาแล้วเขาก็รู้ตัวหลอนว่าพระพินยักษ์ไหลไม่สนใจกับถ่ยคำประโยคนั้นของหลอนบอกยิ้มยิ้มมาว่าจริงสิผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าคุณหญิงบ่นเอาไว้เมื่อคราวหลงป่าเอาเลยครับจะแก้บ่นก็เชิญตามสบาย แต่ไม่ต้องออกไปไกลนะหรอกที่จอมปลวกนั่นก็ได้ดารินหมุนซ้ายหมุนขวาเก้กังอยู่ครู่ก็หันมาสบตาเขายิ้มแห้งแรงบอกอ่อยว่าฉันแก้บนไม่เป็นนี่เกิดมาก็ไม่เคยบนอะไรสักทีเขามีพิธีทํากันยังไงนะช่วยบอกหน่อยสิแล้วพีนกัดริมฝีปากหัวเราะตัวเขย่าอยู่เช่นนั้นพอหล่อนบอกกึ่งขอร้องมาอีกครั้งก็คว้าขวดเหล้าในมือของหล่อนไปเปิดจุกออก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 ระหว่างคุณกับฉันนี่ญาติดีกันไม่ได้นานเลยบอกมาสิจะให้จุดกี่ดอกรอนหน้างอแต่แล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้อีกแล้วพีนควักบุหรี่ออกมาจุดสูบมองดูราชสกุลสาวผู้อยู่ในฐานะนายจ้างด้วยแววตาแจ่มใสดอกเดียวเจดดอกหรือส5ห้าดอกก็สุดแล้วแต่ถนัดแต่ไม่ควรจะเป็นสามดอกอันเป็นความหมายเดียวกับการไหว้พระั้งนั้นก็เอาเซียสิบห้าดอกเลย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 ระหว่างที่ทูบ ก, กาลังติดไฟอยู่นี่เจ้าป่ากาลังเสวยเหล้าขวดนั้นอยู่ได้ยานทิพย์พอทูกหมดแล้วลูกช้างบริวารก็จะเสวยต่อไปฉันไม่เห็นวีแหวลูกช้างที่ไหนสักตัวจะโผล่ออกมากินเหล้าก็ลูกช้างตัวที่ยืนอยู่นี่ยังไงล่ะระผิดชี้ไปที่อกตัวเองบอกมาหน้าตาเฉยแล้วเขาก็ต้องร้องออกมาเบาๆงอตัวลงกุ่มอกไว เพราะกำปั้นหนักๆของนักมนุษย์วิทยาคนสวยที่ถูกมนุษย์หลอกได้อย่างสนิทซัดตุกมาให้กลางอกอย่างถนัดทนีพร้อมกับเสียงแว๊ดลั่นบ้านี่แน่หลอกไอ้ถามเสียเป็นคุ้งเป็นแควจะแร่แสนก น, นักยิ่งกว่าไอ้ ก, กุดแระอแหว่งเสียอีกพร้อมกันหล่อนก็ผ่าวิ่งจะบ่ายหน้ากลับไปยังกระโจมแต่กระเพกไปได้เพียงสองสาก้าวก็เสถราเสียหลักล้มฟาดลงพริบตานั้นเอง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 ถ้าฟาดพื้นเมื่อกี้นี้ก็มีหวังต้องเข้าเฟือกไม้ไผ่แน่ๆเป็นไม่ต้องเดินกันอีกระเสียงกระซิบแผ่วต่ำแววมากระทบโสดของหล่อนดารินใบหน้ากลายเป็นสีกุราบเลือดฉีดพูปไปทั่วร่างปล่อยฉันหางเสียงของหล่อนแตกพริว้วอย่าลำบากเดินกระเพกไปเองดีกว่าข้อเท้าคุณหญิงยังไม่เรียบร้อยนักหรอกพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินไหวไหมผมจะไปส่งให้ที่หน้ากระโจม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 ขามาฉันยังเดินออกมาได้เองขากลับก็ต้องเดินกลับไปได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ใครลำบากอุ้มไปส่งผมเชื่อมานานแล้วว่าหม่อมราชวงหญิงดารินวราฤาทธิ์เก่งเสมอขนาดปวดข้อท้าจนหน้าเขียวอยู่นี่ก็ยังสู้ทนกรบเกลื่อนขออย่างเดียวให้ชนะพลาหน้าโง่ที่ชื่อรพินเท่านั้นแต่ความอวดดีของฉันก็ไม่เคยชนะคุณไปได้เลย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 คลุมให้หล่อนตามบัญชาลาจะสะกุลสาวเอนกายลงช้าช้าควายแขนรองศีรษะไว้แสงรงังๆงจากตะเกียงสาดกระทบดวงตาเป็นเงาประกายเต็มไปด้วยปิดสนาอันไม่อาจอยัง่งชั่วขณะหนึ่งเขาตะลึงแรประสานตาคู่นั้นต่อมาก็เห็นรอยยิ้มน้อยๆปรากฏขึ้นที่แนวริมฝีปากรูปงามพร้อมกับเสียงกระซิบอ้อยอิงมาเป็นประโยคสุดท้ายอาละ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 ผมสีน้ำตาลเข้มหยิกหยักโศกเป็นคลื่นแทบจะปกร่แสดงว่าไม่เคยพบกับตะไครมานับเป็นปีๆรูปกายเรล่าก็สูงตะงานกำยำอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดราวกับรูปปั้นสำริดได้สัวทรงรับกันหมดทุกส่วนวูบหนึ่งแห่งมโนภาพคิดคำหนึ่งอันไม่ตั้งใจของเขามาดว่าแผงอกอันกว้างใหญ่นี้ถูกคุ้มไว้ด้วยเกลาะทอง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 เขาจึงไม่อาจชอบหน้ามันได้สนิทบางทีจะเป็นเพราะประสาสัมผัสคอยเตือนให้ตนักอยู่เสมอว่าเจ้าชาวโดงนักพเนจรผู้มีอะไรรีรับซ่อนงามอยู่รึกร้ำชนิดที่ยังไม่สามารถจะยังถึงนั่นเองกระมังแล้วรุพินก็ตื่นจากพวังคิดเมื่อคองวานเสียงของแง่ทรายตอบมาว่าในความเงียบและเปล่าเปลี่ยวไม่มีอะไรจะเป็นเพื่อนได้ดีเท่าเสียงเพลง